มันก็น่าจะเป็นจริงนะแต่ยังไม่ทำอ่ะยังยังไม่เลิกกินเนื้อสัตว์ยังกินเนื้อสัตว์อยู่แต่มันเริ่มสะกิดใจละยิ่งพอมาเห็นคือคือพระท่านพูดท่านสอนเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่ามันห่างไกลเพราะว่าท่านมีชีวิตแบบของท่านนะแต่เราเป็นฆราวาสเราก็คิดว่ามันคนละเรื่องกันฆราวาสต้องใช้เงินทองจะต้องบางทีต้องหาความสุขในชีวิตอย่างงั้นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเราก็เลยยังไม่เอาตามันนะจนต่หลังก็ยิ่งมาเห็นพวกคาวาส ด, ด้วยกันแหละคราวนี้นะว่าเออคาวาสเขาก็ทำได้นี่ตั้งหลายปีแล้วกินน้อยมือลงไปด้วยจนกระทั่งเป็นคาวาสเขากินมือเดียวได้เงี้ยโอ้คราวนี้ชักชักยิ่งสะกิดใจใหญ่เลยนะมันเริ่มมันเริ่มมีทางออกอีกทางหนึ่งละ้ะที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเออทางอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอ เพราะใจเดิมมาแล้วเนี่ยตั้งแต่เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยสมองที่คิดเอาไว้เป็นทางออกของชีวิตก็คือเรียนเรียนให้จบให้ได้จบปริญญามาให้ได้เรียนจบแล้วเนี่ยเรียนไปทําไมเรียนไปเพื่อที่จะเอาวิชาความรู้หรือบางครั้งไม่ใช่เอาวิชาความรู้หรอกบอกตรงๆก็ได้เอาใบปริญญาเรียนเพื่อเอาใบปริญญา เพราะจะบอกว่าความรู้จริงๆก็แหมะกะไรอยู่นะเพราะเรารู้ๆอยู่ว่าจริงๆเราไม่ค่อยเรียนสักเท่าไหร่เรารู้ๆอยู่ว่าจริงๆอ่ะก็ใกล้จะสอบแล้วเราถึงไปนั่งอ่านเพื่อที่จะสอบให้มันผ่านเท่านั้นเองเพื่อให้ได้เกรดได้คะแนนออกมาเพราะนั้นเรารู้อยู่เลยว่าจะว่าเราไปเอาความรู้ในระดับมหาวิทยาลัยจริงๆก็ไม่จริงเท่าไหร่หรอกไปเอาใบปริญญามากกว่า เพื่อที่จะแบบว่าเดี๋ยวได้ใบปริญญาเนี่ยคิดว่าเออเราจบแล้วเราก็จะเอาอันนี้แหละมาทำมาหากินเพื่อง่ายไปสมัครงานหรือว่าไปทำงานเพราะเรามีความรู้สึกว่ามันต้องมีวุฒิอันนี้แหละที่ทาให้เราไปทำงานแล้วก็จะได้เงินเดือนหรือว่าได้เงินทองย้อนกลับมาหาเราในระดับปริญญาเพราพอคิดอย่างนี้เนี่ยมันก็ฝันไปตาม ที่เราปาถนะคิดไว้เลยว่าเออจบแล้วก็จะทำงานนะาหาะไรายได้เข้ามาเสร็จแล้วตอนเราเรียนอยู่แล้วก็มีแฟนมีแฟนเสร็จแล้วเราก็จบแล้วเราก็แต่งงานแต่งงานเราก็มีครอบครัวนะเดี๋ยวก็เก็บเงินเก็บทองเดี๋ยวเราก็ซื้อรถเดี๋ยวเราก็มีบ้านอา้าวมันก็คิดไปตามภาษาโล ก, โลกที่ใครต่อใครเขาก็คิดอย่างนี้ทั้งนั้น่นะ ในสังคมโลกโลกีเนี่ยก็คิดอย่างนี้จริงๆอะตมาก็เชื่อว่าพวกเราคนอื่นๆก็คงไม่แตกต่างอะไรจากนี้มากนักหรอกนะก็คือคือกันเพราะฉะนั้นพอตอนนี้ไอ้ที่ความคิดเดิมนั้นมีอยู่ใช่ไหมเสร็จแล้วเราเริ่มมาได้ทางออกใหม่ที่เริ่มได้ความคิดแนวใหม่ขึ้นมานะทุกวันนี้เขาเริ่มใช้แพทย์ทางเลือกนะเราเองเราก็เริ่มมีทางเลือก ไม่ใช่ทางเดียวแบบที่สังคมเคยยัดเยียดให้เรานะว่าจบแล้วจะต้องทำมาหากินแบบนีนะ้จะต้องมีเงินเดือนให้มากๆมีรายได้แบบนี้ต้องแต่งงานต้องมีลูกเต้าต้องมีครอบครัวต้องมีบ้านมีโอคลิฮาร์มีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอแต่ก่อนนี้เรารู้สึกว่าเออมันมีอยู่ทางเดียวเลยมันไม่มีทางอื่นให้เราเลือกเลยแล้วมันก็ปักนะใจก็ปักไปอย่างนั้นจริงๆแต่คราวนี้พอพอเราเริ่มเอ้ย มันมีทางอย่างนี้ด้วยเหรอทั้งๆที่ไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องอะไรมาบ้างเลยก็ไม่ใช่เพราะก็บอกไปแล้วว่าเราเรียนศีลธรรมเรียนอะไรพระเจ้าในเมืองในประเทศไทยก็มีเยอะแยะให้เราได้เห็นนะหรือว่าคนที่เขาทำดีเราก็เห็นอยู่แต่มันไม่เข้ามาในระบบสมองเราเลยที่จะมากระตุ้นจิตเราทําให้จิตเราเนี่ยอยากจะมีหรือว่าอยากจะเป็นอย่างนั้นมันไม่มีเนี่ย วันต่อเมื่อพอเราเริ่มเริ่มรู้สึกนึกคิดอันนี้เข้ามามันเริ่มมีทางคุยไงว่าทางสองแงนะ่เริ่มมีทางทางให้เราเดินอีกทางหนึ่งวันพอปรากฏว่าพอเรียนจบจบปั๊บเลยเรียนจบอาจมาเรียนอยู่สปีครึ่งนะคือเรียนเรียนจบช้ากว่าคนอื่นเขาพอบอกแล้วว่าลงหน่วยกิจน้อยๆ อ, ยอะ่ะวันแทนที่จะจบตามหลักสูตรสีป่ปีก็เลยจบ จบช้ากว่าเขาครึ่งปีนะก็เป็นสี่ปีครึ่งพอจบปีนั้นปับ๊บคิดเลยคิดในใจว่าเออเดี๋ยวก่อนจะไปทำงานทำการไปหาเงินหรือว่าไปแต่งงานคือมีแฟนอยู่แล้วตอนจบก็มีแฟนแล้วเราเราก็หาตามตามค่านิยมที่ที่เราคิดเอาไว้อัน้ก็มีแฟนนะจบมามีแฟนแล้วกเ็เก็บเงินสะสมกับแฟนไปละ ก็กะว่าจบมาเดี๋ยวมาหางานทําแล้วมีเงินเดือนมีอะไรเป็นของตัวเองพอที่ใช้นั่นได้ก็จะแต่งงานเสร็จแล้วปรากฏว่าพอจบก็มันก็คาค้างสมองอยู่เหมือนกันเนี่ยคือแง่คิดอีกทางเลือกหนึ่งที่ในทางธรรมะเนี่ยเริ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นก็เลยคิดอยู่ว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองหน่อยจะจะจะลองทําดูหน่อยสิว่ามันจะเป็นเป็นอย่างนั้นจริงไหม และไอ้ที่พระท่านมาสอนแล้วก็ญาติธรรมชาวโศกที่เราเห็นเห็นเนี่ยเขาก็ว่าเขาสุขเขาสบายดีนะสุขยิ่งกว่าที่เขาเคยมีเคยเป็นหรือว่าสุขอย่างสุขยิ่งกว่าที่เราเป็นเนี่ยคือเราก็รู้สึกว่าเอ้มมันไม่น่าจะสุขกว่าที่เราเป็นนะเพราะเรารู้สึกว่ามันมีเงินทองแล้วก็มีเอาเงินทองไปใช้บำรุงมูลเลอชีวิตเราแล้วว่ามันน่าจะสุขกว่าเพราะนั้นมันก็เลยมี สองทางที่มาอะไรอะ่ะเปรียบเทียบกันแต่เราเองเนี่ยเราเชื่อของเก่าอยู่มากกว่าแต่ของใหม่เนี่ยมันเป็นที่น่าสงสัยว่าเอ๊ะอย่างนั้นสุขกว่าจริงหรือวัพอเรียนจบปับ๊บ เ, เรียนจบจริงๆมันประมาณปีสองศูนยะ์ประมาณสักปีสองศูนย์สองหนึ่งไม่รู้ใครเพิ่งเกิดหรือเปล่านะปรากฏว่าพอพอจบปับ๊บ นะก็เลยลองเลยทดลองเริ่มทดลองปฏิบัติดูเลยเลิกเรื่องแรกคือเริ่มที่จะเลิกกินเนื้อสัตว์ดูส่สิเอาเลยเชื่อไม่บอกเก้เาเลาสิบอะไรกับใครเลยทดลองเลยแล้วก็อยู่บ้านเนี่ยทํางานทําการอะไรปกตินั่นแหละก็ลองเลยลองลองด้วยตัวเองคือตอนแรกๆ ก, ก็เริ่มโดยการที่เรียกว่าอะไรที่เป็นเนื้อสัตว์เราก็ไม่กินทั้งนั้นนะเราก็ เป็นพืชผักผลไม้แล้วก็กินแต่พืชผักผลไม้แล้วก็เขาแล้วก็พยายามไม่กินจุบจิบละนอกมือนอกเวลาไม่กินเรามากินไอ้ที่มันอยู่ในมือเท่านั้นอยากจะกินอะไรอร่อยไม่ว่าแต่เอามากินในมือวันก็เริ่มลองไปพอลองไปได้ไม่นานอนะลองไปได้แป๊บเดียวเองไม่กี่วันไม่เห็นมันจะยากอะไรเลยเอาละนะชักชักเรารู้สึกว่าไม่เห็นมันยากเลยเลิกเนื้อสัตว์แล้วมากินมังสวิรัต จริงๆโดยโดยใจตัวเองรู้สึกว่ามันมันง่ายกินไปได้รู้สึกกินไปได้แค่อทิษอาทิตย์สองอาทิตย์เองรู้สึกว่าเอ๊ไม่เห็นมันจะยากอะไรก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ถ้ามันอย่างนี้นี่ลองลองลดมือเลยดีกว่าก็เลยเริ่มเริ่มเอาละเริ่มกินลดมือแล้วคราวนี้เลยกินมาเหลือมือเดียวเลย <laughs> กินมาเหลือมือเดียวเลยนะแค่แค่เรามาทดลองแค่อธิตสองอาทิตย์เอง กินมันเหลือมือเดียวเลยเพราะท่านท่านจะเป็นตัวอย่างแล้วโอโ้โฮญาติธรรมตั้งหลายหลายคนที่เขาทําให้เห็นนะรวมไปทั้งคําว่าญาติธรรมเนี่ยหมายถึงว่าแม้ช่วงนั้นบางทีก็มีนะบางคนเขาก็ยังเรียนอยู่เขาก็เป็นนักศึกษามีอะไรเราก็เริ่มพบเริ่มเห็นแล้วเราก็เริ่มรู้ว่าเออเขาก็ทําได้นี่ไวเขามันไม่ไม่ได้แตกต่างอะไรจากเรายิ่งถ้าเป็นเดี๋ยวเนี่ยพวกเราก็จะเห็น นะแผงยีิบสองหรือนสปทนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมหรือรอปทนะกลุ่มลามบูชาธรรมเราก็จะเห็นว่าโอ้เขาก็ทําได้นี่นั่นแหละเหมือนกันตอนนั้นอาตมาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊่นั่นนะก็ไวัยไม่แตกต่างจากเราเขาก็ทําได้เพราะฉนี้ขาวนี้ก็เลยมันมีความกล้าที่จะทำมันเหมือนกับมีเพื่อนนะ่ะแม้ว่าจริงๆเราไม่ได้ไปพูดคุยอะไรกับเขานะแต่เราเห็นว่าเขาทําได้ ก็เป็นคนเชื่อมั่นตัวเองแล้วก็หยิงในตัวเองพอสมควรเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าทําเลยก็ปรากฏว่าทําทําได้จริงๆก็เลยกลายเป็นว่าไอ้เรื่องเหล่าบุรีเรื่องอบายามุกเลิกเลิกได้หมดนะเรื่องเนื้อสัตว์เลิกเลิกมาได้นะเรื่องมือเรื่องมือนี่ก็มาเหลือมือเดียวได้ตกเย็นนี้ไม่ต้องกินอะไรละ น่ก็กินแต่น้ําเปล่าหรือบางมีมันมีบางวันบ้างเท่านั้นเองที่เรียกว่าอาจจะมีพวกพวกน้ําผลไม้หรือว่าน้ำไออะไรอะกาแฟบ้างอะไรเงี้ยอาจจะมีบ้างนะบางวานันบางครั้งที่มีเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ไม่ได้บอกโยมทางบ้านว่าว่ากินเหลือมือเดียว คือคือบอกแล้วทําโดยที่ไม่ได้บอกใครเลยในบ้านนี้ไม่มีใครรู้ไม่แต่คนเดียวแล้วก็ซุ่มทําของเราเองแต่ปรากฏว่าทําไปทําไปโยมเขาก็สงสัยมากขึ้ น, นทีเอา้าเรียกมากินมื้อเย็นแล้วทําไมไม่มากินไอ <c oughs> เราก็พยายามเลี่ยงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวหรืออะไรต่ออะไรก็หาทางเลี่ยงๆที่จะไม่กินจนบางทีก็หนีไม่พ้นหรอกในที่สุดนะท่านก็รู้นะพอโดยเฉพาะโนะยมแม่นั่นแหละ พอรู้แล้วก็เป็นห่วงสิเอาทำงานทำการแล้วก็กินมื้อเดียวมันจะไปไหวได้ยังไงไม่ไหวหรอกเพราะฉะนั้นก็พยายามจะให้กินพยายามจะให้กินแต่เราก็ใจแข็งแข็งนะเราก็ไม่ยอมกินไม่ยอมกินแต่ก็เห็นใจท่านเหมือนกันว่าแมท่านก็ท่านก็เป็นห่วงอ่ะท่านก็มาทุกข์ใจเพราะเราอ่ะนะก็เลยอนุโลมว่าถ้างั้นก็กินแค่เครื่องดื่มให้ก็แล้วกัน ตอนเย็นเนี่ยบางทีก็เลยอก็กินเครื่องดื่มให้ก็แค่นั้นแหละซึ่งปรากฏว่าทำได้ตั้งแต่เรียนจบนะแล้วก็ทำมาก่อนที่จะมาอยู่วัดเนี่ยก็ทำอยู่หกปีทำงานไปด้วยทำงานไปด้วยแล้วก็นะปฏิบัติธรรมไปด้วยหกปีไม่มีปัญหาอะไรเลยนะมีแค่ช่วงแรกๆเท่านั้นเอง ที่เรียกว่าทําไปเนี่ยเราก็อาจจะยังไม่เก่งมีมีมีล้มอยู่ช่วงแรกแรกที่ทําไปตอนใหม่ๆนะ่าทาไปได้สักเดือนสองเดือนอะไรพวกนี้นะ่ามีล้มเหมือนกันที่ล้มไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเพราะคือคนอใครก็ตามที่มาถือศีมาปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าทาไปโดยที่เขาเรียกว่ามี ตามานทิฏฐิมีความคิดที่ทำไปโดยที่มันไม่ถูกทิฐไม่ถูกไม่ถูกทางทำไปโดยที่บางทีเนี่ยเราต้องการเอาชนะคนอื่นหรือทำไปเพื่อที่จะอะไรอะได้ลาบยศเสริญหรืออะไรคือมันไม่ได้ทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจที่เราเข้าใจว่าทำไปเพื่อลดละกิเลสเราคืออันเนี้ยถ้าใครไม่ไม่ไม่ไมไมทาไปอันนี้เนี่ย มันบางทีมันทําไปแล้วเนี่ยมันต้องฝืนใจเนี่ยมันต้องข่มใจมันต้องบังคับใจเพราะฉนั้นมันก็จะต้องมีทุกเกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยเราปฏิบัติต้องมีทุกเกิดขึ้นแต่ทุกที่มันเกิดแล้วปรากฏว่าเราไปหวังผลนั่งหวังผลนี่มันแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้เนี่ยมันเริ่มและโอ้โหมันจะเครียดมันไม่เป็นไปอย่างที่เราหวังแต่ถ้าเราทําไปโดยที่เออทําไปเพื่อที่จะให้เราได้ฝึกฝนให้เราได้เรียนรู้ ให้เราได้ลดละกิเลสของเราพรพอทําไปอย่างเนี้ยจิตมันก็จะมุ่งไปในทางธรรมะมุ่งไปในทางที่ว่าเออวันนี้เรากินมื้อเดียวได้โอ้โหเรามีปิติเรามีความสุขเรามีความอิ่มเอมิเอมเปมปริ่มหัวใจว่าแม่วันนี้เราทําได้ดีอีกแล้วเป็นบุญกุศลอีกหนึ่งวันละที่เราทําได้คือความสุขพวกนี้แหละมันจะมาหล่อเลี้ยงใจเราทําให้เราเนี่ยไม่ไม่เครียด หรือว่าไอสิ่งที่เราต้องมาฝืนบางทีเห็นอะไรอร่อยอยากจะกินเคยอร่อยเนื้อสัตว์นะมาหมูเห็บเป็ดไก่อะไรที่เราเคยอร่อยอย่างเงี้ยแหมบางทีมันก็มาเล่นงานเราหรือบางทีเดินผ่านอย่างเงี้ยโอ้โหกินชุยเลยจําได้ว่าวันวันที่ล้มอ่ะที่ปฏิบัติใหม่ๆล้มเนี่ยโอ้โหกินเนื้อเค็มได้กินเนื้อเค็มกินเนื้อเค็มมันลอยมาเข้าจมูกเข้าจมกนนูกเข้ า, ขาจมู ก, จ, ม ก, จ, มกจนกระทั่งเรียกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้ว นะเขาทอดเนื้อเค็มเสร็จเขาเก็บไว้ในตู้กับข้าวเอามาช้าหมดจานเลยก็อยู่ไม่ได้กินเลยเนื้อเค็มนี้เปล่าครับเนี่ยกําลังทอดเนี่ยกินแหมพูดข้าจังหวะพอดีเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบอกว่าโอ้โหนะถึงบอกว่าถ้าเราทําไปโดยที่เราไม่ชัดเจนในเป้าหมายแล้วก็ไม่มีปีติสุขในสิ่งที่เราทําได้นะมันจะไม่มีสิ่งเหล่าเนี้ยมาช่วยพยุง หรือมาช่วยหล่อเลี้ยงใจเราก็จะทําให้เราเนี่ยไปไม่รอดหรอกฝืนก็ฝืนได้หรอกแต่มันฝืนแล้วมันไปไม่รอดจําได้ว่าช่วงหลังจากนั้นน่ะมันฟืนมากเข้ามากเข้ามากเข้ า, ม, า, ขามันเก็บกดมันกลายเป็นการเก็บกดเก็บกดมากๆเข้ามากๆเข้ามาลงกระเพาะเลยนะโอ้โหปรากฏว่าก็ปวดเหมือนกับคนเจ็บเหมือนกับคนเป็นโรคกระเพาะก็ พยายามฝืนนะขนาดว่าอาตมาว่าก็เป็นคนที่เวลาตั้งใจจะทําอะไรก็อดทนพอสมควรฝืนนะจากมันสี่ห้าวันค่อยปวดทีนะเราก็ฝืน อ, อ่ะสู้ฝืนสู้จากสี่ห้าวันมันเริ่มปวดทุกวันนะเริ่มปวดทุกวันเลยนี้เริ่มปวดกระเพาะทุกวันเลยทุกวันเลยก็ฝืนสู้จนกระทั่งคราวนีวนน้วันหนึ่งวันหนึ่งโอ้โหมันชักมันชัก ปวดตลอดแล้วสิคานี้ชักจะไม่ไหวนั่นแหละไม่ไหวจริงๆแล้วถึงบอกโอ้โหยอมแพ้แล้วไม่ไหวต้องไปหาหมอคือคือคือคือที่บอกว่าอดทนไว้อดทนไว้เนี่ยก็คือไม่ยอมกินยาไม่ยอมไปหาหมอแล้วก็จะใช้แบบว่าใช้จิตของเราเนี่ยสู้แล้วก็ฝึกปืนไปฝึกปืนไปแต่จนในที่สุดมันสู้กับเวทนาไม่ไหวมันเจ็บปวดมากๆเข้าก็เลยก็เลยไปหาหมอ นะขาวนี้ก็เลยลม้มล้มมือไปหมดเลยนะแล้วก็กินยาเนี่ยมันต้องกินยาแล้วขาวนี้ก็เลยไปหาหมอกินยาไอความที่เราเคยดื้อรั้นดันทุลังด้วยทิฐิของเราเองที่เราแม้จะมาทําดีเนี่ยแต่มันทิฐิจัดทิฐิมากบุ้งจะเอาชนะอย่างง้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรนะก็ปรากฏว่ามันก็ล้มไปด้วยพอ มากินยาอยู่แค่อาทิตย์เดียวมากินยาแค่อทิตฐ์เดียวเท่านั้นเองนะไอช่วงจิตที่เรามันล้มแล้วมันคลายจิตคลายใจเราลงไปเนี่ยคราวนี้แหละมันเริ่มเห็นทางออกเห็นทางออกแบบที่เป็นไปตามธรรมะเป็นไปตามธรรมมันไม่ใช่เห็นทางออกแบบพินิจที่ว่าเราเองเนี่ยเราอยากเราชอบไงเราจะเอาอย่างนั้นไม่ไม่ใช่แบบเจ้าทิฏฐิอย่างนั้นแหละ แต่มันเริ่มยอมรับสภาพความเป็นจริงของตัวเองแล้วก็เริ่มทาไปตามขีดความสามารถของตัวเองจิตใจมันก็สบายกว่านี้เพราะพอกินยารักษาได้เจ็ดวันจิตมันหวนกลับมาเลยนะมันคิดที่ว่าเออจริงๆไอ้ที่เราทำมาได้เราก็มีความรู้สึกอย่างนึงว่าเออจริงทาจริงมันก็ทำได้แต่ที่เราพลาดพังเราผิดพลาดไปเพราะไอ้ความ ยึดของเราที่บางทีมันยึดผิดผิดมันเป็นการเอาชนะกันแบบผิดผิดเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบว่าล้มความคิดนี้ไปด้วยแล้วว่ามันก็เป็นความคิดที่ถูกต้องมาเออเราควรจะถือศีลปฏิบัติธรรมโดยที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็เป็นการทําให้เราเองเนี่ยได้ลดกิเลสเราแล้วเราเองก็มีสภาพจิตใจเนี่ยดีขึ้นวันพอพ้นเจดวันของการรักษาเนี่ยเริ่มใหม่เลย เริ่มกินมื้อเดียวใหม่อีกเลยก็ปรากฏว่าคราวนี้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยทำมาร่วมยี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ยไม่เคยต้องเป็นโรคกระเพาะอะไรอีกเลยนะหายหายสนิทเลยแล้วก็กินมื้อเดียวมันก็ได้ด้วยเพราะอันนี้นะเป็นสิ่งทีออ่อยากจะบอกให้พวกเราฟังว่าบางทีหลายสิ่งหลายอย่างที่จริงๆแล้วเราทำได้ แล้วเราก็ถ้าทําให้มันถูกทางด้วยทําไปอย่างที่จิตใจไม่ไม่เอาชนะค้าการอะไรด้วยทําไปด้วยจิตที่รู้บุญกุศลอย่างถูกต้องแท้จริงแล้วเราจะทําได้อย่างดีแล้วจะพบความสุขในชีวิตจริงๆเป็นความสุขที่เราเองอาจจะนึกไม่ถึงด้วยว่าโอ้ถ้ามาถือศีลปฏิบัติทำแล้วจะเป็นความสุขอย่างนี้หรือแล้วมัน เป็นความสุขที่เกินที่เราคิดอีกด้วยซ้ำไปไม่ต้องเอามากะนะแค่ถือศีลห้าขึ้นมาให้ได้บริสุทธิ์ขึ้นมานะแค่เนี้ยคุณสบายกับเก่าเยอะแล้วมายังจำได้เลยว่าแค่พอตอนเริ่มเริ่มเลิก เ, เรื่องอายมุกนะเลิกกินเหล้าเมายาเลิก เ, เที่ยวดูหนังดูละครโอ้โ ห, โหปรากฏว่าเงินทองที่เคย ไม่พอใช้ไม่พอใช้หรอกแต่ละเดือนที่สมัยก่อนนั้นปรากฏว่าพอเลิอกอบายามุกพวกนี้ได้เนี่นะโอโหเงินเหลือเลยเงินเหลือจนกระทั่งสามารถที่จะเก็บได้เป็นก้อนนะเป็นก้อนโตๆเป็นก้อนใหญ่ๆได้เลยบางทีเนี่ยคราวนี้อยากจะทําบุญทําทานนะหรือว่าอยากจะช่วยเหลือใครเพราะว่าพอพอจิตใจเราดีแล้วเนี่ยนะ มันไม่คิดที่จะไปเอาเที่ยวเตะแบบแบบดูหนังดูละครอะไรที่เป็นความสูญเสียของชีวิตเนี่ยเราเราเราเห็นเลยว่ามันมีแต่ความสูญเสียมีแต่โทษภั ย, ม, ภยมีแต่ทาให้จิตเราเนี่ยยิ่งหมักหมมนะยิ่งยั่วย้อมมอมเมาเรามันเห็นแล้วมันมันไม่ไปเอาแล้วเนี่ยนะพอมันเลิกมานี่โอ้โหคราวนี้จะช่วยเหลือเพื่อนก็สบายมากเลยเงินทองก็มี มีพอที่จะช่วยเหลือเพื่อนใครบางทีใครอัตคัดขับสนใครลำบากนะาจำได้ว่าช่วงนั้นแ่ะจะเป็นช่วงที่โอ้ ح, ได้ทำบุญเยอะเลยไม่งั้นปกติเนี่ยไม่เคยคิดใส่บาทไม่เคยคิดที่จะต้องไปบริจาคเงินที่ไหนไปช่วยเหลืออะไรใครไม่อยู่ในหัวสมองเพราะเงินเราก็ไม่พอใช้อยู่แล้วยังไปคิดอะไรอ่ะมันแย่อยู่แล้วอ่ะแต่พอเราเริ่ม ถือศีลขึ้นมาเราเริ่มปฏิบัติธรรมขึ้นมาเงินทองก็เริ่มเหลือจิตใจเราก็มีความเมตตามีความคิดถึงคนอื่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจําได้ว่าโอ้โหข่าวนี้นะมันคิดจริงๆบางทีเนี่ยนึกเออโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้บางทีเขาก็ลงหนังสือพิมพ์บ้างหรือเราดูทอทัศน์บ้างว่าโอ้โหเขาเดือดร้อนเขาลบาบากเออเราก็ส่งเงินบริจาคไปช่วยบ้างหรือบางทีก็ซื้อหนังสือตั้งหา นะส่งไปตามโรงเรียนหรือว่าตามห้องสมุดใจมันจะไปเลยนะพอเราพอเราปรับจิตเปลี่ยนใจมาในทิศทางที่มันดีงามทิศทางที่ถูกต้องทิศทางที่คิดถึงคนในสังคมคนในประเทศหรือคนในโลกนี้หรือว่าสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยคือพอเรามีใจที่มาในทิศทางที่ดีงามแล้วเนี่ยนะเราจะเห็นใจแม้ทั้งคนทั้งสัตว์สัตว์เราก็ เลิกไปเบียดเบียนเขาแล้วก็เลิกไปกินเลือดเนื้อชีวิตเขาเพราะฉะนั้นคนที่กินเนื้อสัตว์อยู่นี่ก็คือคนที่ยังกินชีวิตของสัตว์ร่วมโลกโด้วยกันอยู่ไม่ใช่กินแค่เนื้อนะแต่คุณกินชีวิตเขาเพราะคุณเอาชีวิตเขามาต่อชีวิตคุณให้ยาวยืดยาวไปเพราะฉะนั้นมีชีวิตอยู่ถึงทุกวันนี้นี่คุณกินชีวิตไปกี่ชีวิตแล้วคุณกินไปกี่ชีวิตแล้วลองไปนั่งนึกคานวณดู ธรรมมาเคยคำดวลให้บางคนแล้วจะตกใจจะตกใจทีเดียวว่าโตจนถึงป่านี้แล้วมันเป็นหมื่นหมื่นชีวิต <c oughs> มันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เป็นพันชีวิตนะมันเป็นหมื่นมื่นชีวิตที่เรียกว่าโอ้โหเราแค่ชีวิตเดียวเนี่ยเราต้องทำให้ชีวิตอื่นเป็นหมื่นเป็นแสนม า, มาตายมายืดชีวิตเราเพียงแค่ชีวิตเดียวหรืออันเนี้ยวันนี้ไม่มีเวลาที่จะมา เอ่อยกตัวอย่างว่ามันเป็นหมื่นหมืนแสนแสนชีวิตได้ยังไงนะแต่ให้ไปคิดก็แล้วกันถ้าเป็นปกติเนี่ยถ้าเรายังกินเนื้อสัตว์อยู่คุณไปดูสิในมื้อนึงเนี่ยกี่ชีวิตให้ง่ายงให้ง่ายคิดง่ายๆแล้วคุณไปคํานวณเองมื้อหนึ่งเนี่ยกี่ชีวิ ต, แ ล, วนวนวตแล้ววันนึงคุณกินกี่มือ้อแล้วคุณลองไปคูณดูว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคุณจะรู้เองว่าโอ้โหมันกี่หมืน่นกี่แสนชีวิตละที่เราเองเนี่ยกินเขา กนชีวิตพวกนี้จะเป็นปลาปลูกุ้งหอยให้เป็นหมูเป็ดไก่อะไรก็แล้วแต่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเองเนี่ยพอมันมันมาเข้าศึกษาธรรมะเราเริ่มเข้าใจธรรมะสิ่งต่างๆพวกนี้จะเริ่มเข้ามาในความคิดเราแล้วคราวนี้เนี่ยเวลาเราจะแก้ปัญหาชีวิตหรือเราจะหาทางออกของชีวิตเนี่ยมันถึงจะเริ่มเป็นทางออกที่ดีงามที่ถูกต้องขึ้นมาไม่อย่างนั้นแล้ว เราจะแก้ปัญหาด้วยความมักง่ายด้วยความเอารัดเอาเปรียบด้วยความเห็นแก่ตัวของเราโดยที่การแก้ปัญหานั้นเนี่ยจะไม่เป็นทางออกที่เป็นไปเพื่อคนรอบข้างเป็นไปเพื่อครอบครัวเป็นไปเพื่อสังคมเป็นไปเพื่อโลกนี้เพราะประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญว่าธรรมะเนี่ยแหละทำไมผู้พุทธเจ้าท่านตรัสว่าธรรมะเนี่ยคุ้มครองโลก พุ่มคลองโลกเพราะว่าคนที่มีธรรมะเนี่ยจะรู้ถูกรู้ผิดนะจะเข้าใจว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแม้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่ไม่ควรทำเนี่ยพอเรารู้แล้วนะโดยทางธรรมะแล้วก็เรารู้แล้วรู้แล้วยังจะไปทำทำไมถ้าใครไปทำเนี่ย ท, ทั้งทั้งที่รู้ก็จะละอายนะ่าจะมีตัวละอายต่อบาปจะมีตัวเกรงกลัวต่อบาปว่าในที่สุดเนี่ยก็จะไม่กล้าทาแล้วก็จะไม่ยอมทา คนที่จิตใจเข้าถึงธรรมะแล้วนะจะเลิกเลยสิ่งที่เลวไลยสิ่งที่ไม่ดีต่างๆแล้วก็จะฝึกฝนทำให้ตัวเองเนี่ยมีกำลังจิตกำลังใจได้สูงขึ้นได้มากขึ้นทำให้เรากล้าทำแล้วก็กล้ามารวมหมู่รวมกลุ่มที่จะทาดีอาตมาเองเนี่ย เ, เห็นพวกนักศึกษาปฏิบัติธรรมหรือพวกเราที่มาใน งานรับเพื่อใหม่เนี่ยเห็นทีไรก็นึกย้อนถึงตัวเองอยู่เรื่อยเลยว่าเออพวกเราในที่นี้นี่แมมมีโชควาสนาได้ดีกว่าตั้งเยอะเลยนะอาตมาเองเนี่ยตอนเป็นนักศึกษาอยู่ไม่มีโอกาสหรอกที่จะมาได้เจอหรือว่ามาได้มาร่วมกิจกรรมแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโอกาสทองอย่างหนึง่งน่าเป็นทางเป็นทางเลือกหรือเป็นทางออกอย่างหนึง่งที่ให้เราเนี่ย นะได้มาพบได้มาเจอเจอกับสิ่งที่เราเองอาจจะไม่เคยคิดเลยว่าจะมีบุคคลอย่างนี้อยู่มีแนวทางอย่างนี้อยู่หรือมีคนที่ปฏิบัติอย่างนี้อยู่นะเอา ง, ง่ายง่ายอาจารมาไม่เคยนึกหรอกว่าจะมีแบบแบบแผงยิบสองเนี่ยนักศึกษาในในรามก็ตามหรือว่านักศึกษาจากที่อื่นก็ตามที่บางทีเนี่ยมารวมตัวกันนะัแล้วก็มาช่วยกันขายอาหารบางสิวิลัต แผงยีิบสองนี่ก็ี่ปีแล้วเนี่ยตั้งมาฮอาตมาก็จําไม่ได้นะแต่ก็คิดว่าก็คงเป็นสิบกว่าปีอะนะอยังไงน้อยกว่าสิบกว่าปีเพราะว่าตั้งแต่อาตมาพบเห็นมาแล้วก็เคยเคยดูแลมาบ้างนะแผงยีิบสองก็คิดว่าสิบกว่าปีมาแล้วก็ยังยืนหยัดยืนยันได้จนบางทีก็นึกๆึกอยู่ว่า เอมันจะศูนย์พันุหรือเปล่านาะเพราะว่าบางบางยุคบางรุ่นปรากฏว่าเหลือแค่สามคนเหลือแค่รู้สึกเหลือแค่สองคนยังไม่เคยนะรู้สึกน้อยที่สุดจะเหลือสามคนอย่าเงี้ยก็นึกว่กกอยู่แล้วโอโ้โหมันจะหมดเชื้อหรือเปล่าเนี่ยนักศึกษาที่จะหน้ามาฝ่ายดีหรือว่าจะมาร่วมอุดมการณ์นี่มันจะหมดแล้วหรื อ, อยังนะแต่แต่ก็ก็พยายามนะ โดยเฉพาะตัวหลักเนี่ยอย่างบุ๋มเนี่ยโอ้โหนะจะว่าไปก็หนังเหนียวห <c oughs> นังเหนียวไม่ใช่แก่แล้วนะห <c oughs> นังเหนียวนี่คืออยู่โยงคงกระพันนะโอ้โหเป็นอะไรอะ่ะไม่ใช่เจ้าแม่หรอกเป็นอะไระ <c oughs> เป็นตัวหลักนะปกักหลักปกักฐานให้แผงยี่บสองมาตั้งโอ้สิบกว่าปีนอกกนั้นหลายคนก็บางทีอาจจะเปลี่ยนบ้างนะเปลี่ยนหน้าเข้ามาบ้าง นัดนัดนี่ก็จบแล้วใช่ไหมแต่นี่ก็เออช่วยช่วยอยู่อีกแต่มีอีกที่เรียกว่าแผงยีิบสองเนี่ยเป็นตัวที่ใกล้ชิดกับกลุ่มนักศึกษารามมากที่สุดนะแล้วก็เป็นตัวเชื่อมที่ยืนหยัดยืนยันให้เห็นว่านักศึกษาที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมีแล้วไม่กินเนื้อสัตว์เลยมีแล้วก็ถือศีลด้วยนะอย่างน้อ ย, อยก็ถือศีลห้า ได้จริงจริงนะเรามีธรรมนูญของกลุ่มเรามีการมาได้พบสมณะนะได้มีการประชุมได้มีการถามไทยตรวจศีลต่างๆมีตัวอย่างจริงจริงจนกระทั่งไม่ใช่หยุดอยู่แค่นี้จนกระทั่งหลายคนที่เรียกว่าผ่านแผงยีสบสองมาหรือว่าเป็นนักศึกษากลุ่มรามบูชาธรรมเนี่ย ผ่านเข้ามาจนกระทั่งมาอยู่ที่สันติอาสุกหรือว่าจะไปอยู่พุทธสถานอื่นก็ตามหน้าของชาวอโศกจํานวนมากกว่าที่อยู่แผงยีิบสองปัจจุบันนี้อีกหน้าที่ผ่านเข้ามาจนกระทั่งสลายิ่งกว่านั้นอีกคือคราว น, นี้นี่แบบว่ามาอยู่วัดเลยทํางานทําการไม่มีเงินดาวเงินเดือนอะไรเลยนะศูนย์บาทคราวนี้กล้าที่จะเสียสละ นะพูดง่ายอุทิศชีวิตตัวเองเนี่ยเข้ามาร่วมกลุ่มที่จะปฏิบัติธรรมให้เข้มข้นขึ้นแล้วก็จะเผยแพร่ธรรมะเนี่ยให้กว้างยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมโดยที่เอากล้าเอาตัวเข้ามาเลยเยอะทีเดียวแหละนะไม่ไม่เคยไปนับเหมือนกันนะหลายสิบเลยทีเดียวที่เข้ามาแม้แต่ว่าเข้ามาอยู่เป็นคนวัด นะก็นันะกระดับหนึ่งแล้วจนกระทั่งไม่อยู่แค่นั้นนะจนกระทั่งเอาเป็นนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจนกระทั่งมาถึงขั้นฝ่ายหญิงก็มาเป็นสิกขมาตรก็มีที่เป็นนักศึกษาแล้ ว, วปฏิบัติธรรมจนกระทั่งจบเรียนจบแล้วก็มาเป็นสิกขมาตรก็มีถึงขั้นเป็นนักบวชก็มีหรือมาเป็นสมณนะก็มีตั้งหลายรูป นะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านีนะ้อยากจะฝากให้กับนักศึกษาแล้วก็พวกเราคนอื่นๆก็ตามนะเป็นแง่คิดของชีวิตว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันมีการดําเนินไปอยู่ตลอดเวลาทุกวันเราเดินทางเข้ า, าใกล้เข้าหาความตายทุกวินาทีเราใกล้เข้าหาความตายวันทุกวินาทีที่ผ่านไปเนี่ยมีค่าของชีวิตเนี่ยมากมายมหาศาลเหลือเกิน ถ้าเราไม่รู้จักคุณค่าไม่รู้จักทําชีวิตของเราเนี่ยให้ไปในทิศทางที่เป็นบุญกุศลที่เราจะสะสมเป็นบุญบารมีของเราเอาไว้วินาทีนั้นมันก็จะไปในทางที่ไม่ดีส่วนใหญ่มันก็ไปตามใจชอบของเราอะไรที่ตามใจชอบก็ไอ้กิ เ, กกเลสเก่าๆของเราที่เราเคยไปติดไปหลงไปยึดไว้มันก็จะวกกลับไปอันนั้นทันทีเลยเพราะอะไรเพราะอันนั้นเน่ย เราสะสมมากี่สิบปีหรือจะพูดไปก็กี่ชาติมาแล้วเราสะสมอบายมุขสะสมอกิเลสที่บำรุงบำเลอหัวใจเราเนี่ยมันมากมายวันวินาทีไหนเนี่ยที่เราไม่หันมาหาทางออกที่เป็นปัญญาทางธรรมะแล้ววินาทีนั้นมันจะหันไปทางโล ก, กีไปทางโลกโลกแบบเดิมวันถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยเราก็จะ พยายามผลักดันตัวเองนะผลักดันจิตใจเราพากายพาใจพาตัวของเรานะให้มาสู่ทิศนี้ให้มาสู่ทางนี้เพราะทิศนี้ทางนี้เท่านั้นแหละนะที่พระเจ้าท่านตรัสว่านะพยามานพยามานนี่คือกิเลสของเรานั่นเองนะที่พยามานนี่แหละจะหลงทางได้คือมันจะไปไม่ถูกแต่คนที่ ถือศีลปฏิบัติธรรมเท่านั้นนะถึงจะมาได้ถูกทิศมาได้ถูกทางนี้มามันมาไม่ถูกหรอทางนี้เพราะถ้าเป็นมารก็คือเป็นกิเลสมันไม่ยอมมาด้วยแล้วมันก็ไม่กล้ามาด้วยเพราะถ้ามาขืนมันมามันจะต้องหมดกิเลสมันจะต้องโดนลดกิเลสเพราะถ้ามันไม่มันไม่ยอมมาแน่นอนเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่กล้ามาเพราะฉะนั้นคนที่จะกล้ามาในทิศทางนี้นี่นะต้องถือว่าเป็น เทพบุตรนะเป็นเทพธิดาหรือว่าเป็นเทวดานะคือมีจิตใจที่ดีขึ้นมาแล้วมีจิตใจที่สูงขึ้นมานะเข้าใจในทิศทางนี้แล้วอยากจะได้ดีในชีวิตนี้ในชาตินี้นะวันนี้ของพอ่านีนะ